ท้องฟ้าดูฉันสดใสและสวยงามแต่สิ่งที่ฉันเห็นจะเธอในวันนี้เธอบอกกับฉันฉันคงที่ไรความหมายจากนึ่งเองก็เข้าใจ ใครทำใจเธอไม่เหมือนไดลย มันส่วนทางกับความหมายหัวใจสายตาที่เคยให้กันค่อนเคยเป็นที่หนึ่งที่เดียวในใจของเธอแต่วันนี้ฉันเอง ฉันเองต้องเป็นที่เท่าไรบ อ, อกได้ไหมต้องทำอย่างไรที่ที่ย้อนไปที่เดิมในหัวใจที่เดิมในหัว